ท่นฟังค่ะรายการสัสนิสนทนานะคะเดือนกันยายนนี้ก็ยังอยู่ในพ่วงเวลาของเทศกาลเข้าพรรษาค่ะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมก็น่าจะถือว่าเป็นโอกาสที่เหมาะสมมากที่สุดอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะบางคนนี่ก็จะทําในเรื่องเกี่ยวกับความดีงามให้ยิ่งยวดมากขึ้นเวลาของเราไม่ว่าจะเข้าพรรษาหรือไม่ก็ตามทีจะมีพระภิกษุที่เสียสละเวลา ในการปฏิบัติกิจของท่านนะคะมาเผยแผ่ธรรมะทางรายการนี้พระภิกษุรูปที่สองที่ท่านจะได้พบไปก็คือที่จะได้พบกันนะคะคือพระพบูบุญอภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศอุดรธา น, นีกราบนพัธีการกัท่านคะเชิญบอลค่ะเห็นบอกว่าฝนตกใช่ไหมคะทางนู้นใช่ท่านฝ<บ>ั่งถ้าหากได้ยินเสียงอะไรก็ขอให้เข้าใจค่ะก็ตกเกือบทุกวันเลยช่วงนี้นะคะฝนตกคนกรุงเทพใจหนึ่งก็ชอบ บางคนบอกว่าตกนาดีนี่มันทําให้อยากนอน <c oughs> แต่อีกใจนึงก็ลําบากนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่บนถนนหนทางที่ฝนตกปุ๊บรถมักชอบติดถ้ารถติดติดนี่มีธรรมะอะไรที่จะช่วยได้บ้างคะท่านคะออสิ่งที่ไปคู่ ก, ก, กันกับเราในขณะที่รถติดนั่นก็คือลมหายใจของเรานั่นเอง น, นสิ่งที่จะช่วยได้เลยไม่ให้เบื่อไม่ให้เซง็งไม่ให้เครียดไม่ให้มีปัญหากับใครไม่ให้ปีติขึ้นมา นั่นก็คือสตินั่นเองนะสติเนี่ยจะเป็นตัวที่คอยกํากับไม่ให้จิตของเราเนี่ยก้าวไปอยู่ในความไม่ดีนะสติตรงนี้ก็คือใช้อะไรล่ะใช้ลมหายใจของเราเป็นฐานที่ตั้งให้จิตของเรามีสตินะพอเราใช้ลมหายใจแล้วพอมีการกระทบเช่นอ่ามอไซค์บาดหน้านะหรือถูกตัดแซงหรือรถติดมากๆฝนตกด้วยนะแล้วก็แอก็เสียะอะไรเงี้ยก็สามารถแก้ไขได้หมดเลยนะคะ ซึ่งซึ่งวันนี้จริงๆก็จะต้องการพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับสตินี่ด้วยเกี่ยวกับเวลาที่เราเจอสิ่งที่อะไรที่เรากลัวอย่างเงี้ยค่ะไม่ลืมหรคะ่ะท่านคะท่านเพยบูนพยายามเตือนดิฉนันเลยค่ะว่าโยมติ๋วอยู่ในประเด็นสิบอกอาตมามาตั้งสองวันแล้วว่าจะพูดเรื่องผีพูดแน่นอนนะคะท่านคัเงินก็เพื่อไม่ให้ขัดใจท่านผู้ฟังเรื่องผีเป็นยังไงล่ะคะคือว่าตอนก่อนหนึ่งต้องถามกันว่า ประสบการณ์แต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะ <Okay. S 2> บางคนก็เคยเจอบางคนก็ไม่เคยเจอแต่ส่วนตัวของอาตมาเองเนี่ยก็ไม่เคยเห็นผี่นะค่ะห <Okay. S 2> มายถึงว่าก็เราเจอแต่ตามในทีวีที่เขาหน้าตาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะ่ะนะมีแต่หัวที่มีผมไม่มีตาบ้างเนี้ยนะค <Okay. S 2> ่ะคุณยมถิยนเคยเคยเจอไหมจากประสบการณ์ของคุณยมถิ่นเองถ้าแบบว่าจังๆแหมมันมีแต่เหมือนคล้ายๆเอหรือจะใช่อะไรเงี้ย น, นะคร <laughs> ก็ก็ <laughs> คล้ายๆมีคนเคยเล่าเลยค่ะว่าถ้าตอนกลางคืนใช่ไหมคะยิ่งถ้าเป็นที่ใกล้ๆวัดอืมอาจจะมีวิญญาณดิฉันตอนเด็กๆเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเออหรือมันจะใช่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ไม่กล้าฟันธงนะคะอืมสรุปแล้วใช่หรือเปล่าก็ไม่ทราบอย่างเงี้ยในว่าป่าเราไหนโศวนี่ก็ตามสมมติว่าเราออกมาจากกุฏิเงี้ยกลางคืนมืดๆอย่างเงี้ยคืนเดินมืดจตัดด้วยเนี่ยนะเอ้าอะไรมันไหวๆตรงนู้นเราก็ฉายไปสายไปปุ๊บ โอ้ยมันต้นไม้ไหวนี่หว่าเราเราก็คิดว่าเอ้ยมันเป็นผีหรือเปล่าเงคือปกติคําว่าผีเนี่ยนะหลายหลายครั้งด้วยซ้าที่เขาใช้คําว่าผีเน่กับสิ่งที่ที่เรากลัวและเราไม่รู้ว่าเป็นอะไ ร, รนะถ้าถ้าเราจะพูดถึงสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นๆเอาเราพูดถึงสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นๆก่อนนะเช่นว่านอกจากมนุษย์แล้วเนี่ยนะก็ยังมีสัตว์เดรัจฉานใช่ไหม <Okay. S 2> สัตว์ปีกสัตว์น้ำอะไรต่างๆก็มีหมดแล้วยังสัตว์ที่เรามองไม่เห็นอีกเช่นพวกที่ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์สน่องเนาะคือพวกจุลินทรีย์ทั้งหลายหรือพวกที่แฝงตัวพรางตัวได้พวกแมลงบางอย่างเนี่ยเราก็มองไม่เห <Okay. S 2> ็นกันเพราะฉะนั้นพวกนี้มันมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆมีอยู่แน่นอนแต่เพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงประเด็นว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่พระเจ้าใช้เรียกแทนสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยพระเจ้าเหมารวมหมดเลยพวกนี้ว่าเป็นอาบมนุษย์ในคัมพีทางพระไตรปิฎกอย่างเงี้ย บางท่านบางองค์บางท่านเขาแปลคาว่าอามนุษย์เนี่ยก็คือผีแต่จริงๆอามนุษย์เนี่ยคือรวมถึงเทวดาด้วยเนี่พวกอสุรกายเปรตเทวดาพรหมพวกนี้เป็นอามนุษย์ทั้งหมดเลยคือไม่ใช่ไม่ใช่แค่ที่เราเข้าใจว่าผีผีเพราะแค่ น, นั้นแปลว่าท่านกำลังจะบอกพระพุทธเจ้านี่ไม่มีคําเรียกผีโดยเฉพาะไม่มีเรียก เรียกผีอย่างนี้แต่ว่ารวมไปอยู่ในประเภทของอามนุษย์ซึ่งรวมเทวดาไปด้วยใช่ใช่อะไรที่ไม่ใช่คนท่านเรียกว่าอมนุษย์อมนุษย์ได้มาารวมกันไปเลยทีนี้ไอ้ผีผีนี่มันคืออะไรคือพระเจ้าเนี่ยได้พูดเคยตรัสถึงความมีอยู่ของอสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่ไม่ใช่แค่มนุษย์หรือสัตว์ประชาน้วยสิ่งที่เราเห็นได้ด้วยตาก็คือคือพระองค์เนี่ยทราบอยู่มาต้นานแล้วจนกระทั่งมีท่านพระมหาโมคลานะเนี่ยมายืนยันได้ มีครั้งหนึ่งท่านบราร ม, ามีมกเลนนะาไปบินดาบัดเราก็เห็นอสุรกายตัวหนึ่งโอ้โหท่าทามันน่าเกียรติมากเลยอธิบายให้เห็นตัวเองเห็นปุ๊บ ก, ก็ยิ้มยิ้มเสร็จแล้วก็เลยคิดว่าเออจะมาถามพระาวะ่าไอตัวนี้มันเกิ อ, อะไรก็เลยมาตรัสถามพรชาพรชาก็อธิบายให้ฟังบอกว่าโอ้ดีมากเลยมกเนะลนนเพราะว่ามีเธอเนี่ยนะมายืนยันการรู้การเห็นของเราคือตั้งแต่ตอนที่เราตรัสรู้แล้วใหม่ๆเนี่ยเราก็เห็นไอตัวนี้เหมือนกันนะที่ตำแหน่งนี้แหละแต่เราไม่ได้บอกให้คนอื่นทราบเพราะว่า เขาจะหาว่ามันคือเขาไม่เห็นไม่สามารถตรวจสอบได้ดีแล้วที่เธอมาตรวจสอบอสิ่งที่ตาาคตรู้เห็นก็เลยเล่าบุพกรรมของเจ้าอสุรกายตัวนี้กินอาหารอะไรชื่ออะไรมันมาได้ยังไงมีอายุกี่ปีหน้าตาเป็นยังไงมีความเป็นอยู่อย่างไรอธิบายหมดเลยนะซึ่งซึ่งตรงนี้พระเจ้ามียานที่พิเศษขึ้นไปกว่าของท่านบระหมามอกลนาอีกแต่หม า, าหมาอกลนาเนี่ยแค่เห็นเฉ ย, เฉยแต่ไม่รู้ว่าเขากินอะไรมาได้ยังไงมีอายุเท่าไหร่ ไล่ไปตั้งแต่สุรกายไปจนถึงสัตว์นรกสวรรค์เทวดาประเภทนี้ประเภทนั้นเนี่ยท่านบ้าหมามกลนันมายืนยันการมีอยู่ของสิ่งเหล่านี้หมดบริชาก็อธิบายให้ยิ่งขึ้นไปนถึงอาหารความเป็นอยู่ในต่างๆของพวกนี้ทั้งหมดเลยนะคือการมีอยู่ของสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันมีแน่นอนแต่ทีนีนนนน้มนุษย์คนเราเนี่ยเราก็ไม่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรแเราก็เรียกรวมๆไปหมดว่าผี นะซึ่งจริงๆแล้วถ้าบอกว่าสิ่งมีชีวิตมีอยู่ไหมมีอยู่แน่นอนนะคนที่เขารู้เขามีเครื่องรู้เครื่องเห็นเขาก็เห็นได้รู้ไดนะ้เราไม่มีเครื่องรู้เครื่องเห็นเราจะไปวัดเรก็ไม่สามารถฟังทงได้นะ <c oughs> อย่างถ้าสักเมื่อ300ปีก่อนอย่างเงี้ยถ้าเราบอกว่ามันมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในท้องเรานะเป็นจุลินทรีย์อ้ใครเขาก็ไม่เชื่อคุณยมติวนะ <c oughs> จนกระทั่งคุณมีกล้องจุลทัศน์ มาตรวจสอบว่าโอ้มันมีพวกไมโครแบคทีเรอยู่ในท้องของเราช่วยในการย่อยอ่าเราถึงจะค่อยรู้ว่าโอมันมีสิ่งมีชีวิต อ, อยู่ในตัวเรานะถ้า <Okay. S 1> เราไปพูดเมื่อกอก่อนๆนู้นเขาก็หาว่าเราเป็นบ้า <Okay. S 1> นะเช่นเดียวกันสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่นอกเหนือจากมนุษย์หรือสิ่งที่เราเห็นได้ด้วยตาเนี่ยมีแน่นอนเทวดามีแ <Okay. S 1> น่นอนการมาการไปของเขานั่นพระเจ้าก็สอนไม่หมดทีนี้ประเด็นก็คือเรื่องของผีเนี่ยนะ <Okay. S 1> ถ้าเรามามาดูถึงความที่ พูดถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆเนี่ยมันมีแน่ชื่อของเขามีอยู่เฉพาะอยู่นะที่มนุษย์เราเอามาใช้เนี่ยคือเรียกความกลัวที่เราไม่รู้ว่าไอ้ตรงนี้มันคืออะไรก็เ ร, เรียกว่าผีกับคนบางคนน่ะแกล้งหลอกเป็นผีก็มีนะคนหนึ่งเขาเรียกไอผ้ผีผแต่จริงๆมันคือคนที่ใส่หน้ากากมาน ะ, ะในช่วงเมื่อสักประมาณห้าสิบปีก่อนห้าสิบปีก่อนเนี่ยแถวสามย่ า, ยานแถวแ <c oughs> ถวจุฬานะคุณยมติวมันยังไม่ได้เป็นอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้่นะ <Okay. S 2> มันจะมีตึกแถวอะไรร้างๆเนี่ยก็มีโจรกลุ่มหนึ่งเขาอาศัยบ้านร้างตึกแถวล้างๆอยู่แห่งหนึ่งเนี่ยเป็นที่ซ่องโจรเป็นที่สุ้มของโจรแล้วโจรเนี่ยก็มีกุศโลบายในการที่จะไม่ให้คนเข้ามาโดยการปลอมเป็นผีคนนั้นเป็นเรื่องเล่าโหไปบ้านนี้ผีดุมากอะไรต่างๆเลยเนี่ยนะ <Okay. S 2> จนกระทั่งเนี่ยมีตำรวจตำรวจนี่ก็ไม่กล้าเข้าไปจนมีตำรวจนายหนึ่งบึ่งย้ายมาไม่รู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ นะวิ่งตามโจรเข้าไปโจรมันเข้าไปตรงนี้ปุ๊บก็ตามเข้าไปตามเข้าไปเสร็จปุ๊บอา้าวจับได้โดยละมอมเลยมีโจรตั้งหลายคนในะเป็นรังผีเห็น เ, เป็นรังของโจรเห็นอุปกรณ์ผ้าคลุมแรงต่างที่ใช้หลอกเป็นผีแล้วก็คือคนเนี่ยมันมาปลอมเป็นผีนั่นเอง mm hmm. เ, อเพราะฉะนั้นทําให้เราเข้าใจว่าไอ้คาว่าผีเนี่ยคือสิ่งที่เนี่ยมาแทนชื่อความกลัวที่เรา mm hmm. ได้พูดถึงความกลัวเมื่อต้นสัปดาห์ใช่ไหมว่าจริงๆถ้าเรามีความกลัวเกิดขึ้นเราต้องสู้กับความกลัว แต่ <Okay. S 1> ถ้าเป็นความกลัวที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เป็นกุศลหมายว่าเราไม่ได้ทําสิ่งอะไรที่ไม่เป็นกุศลแล้วนะยังมีความกลัวอยู่เราต้องจัดการตรงนั้นจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงความผีในเรื่องความกลัวมีแน่นอนใครที่ยังมีจิตไม่ไปปราบจากราคาโทสาโมหะคุณยังต้องมี <Okay. S 1> ความกลัวเราต้องจัดการมันถ้าเราพูดถึงผีในเรื่องของสิ่งมีชีวิตอื่นๆนอกเหนือจากมนุษย์มีแน่นอนแตถ้าเราพูดถึงผีในเรื่องของ ความเป็นอมนุษย์นี่กับผู้ชาก็ได้ตระตราอที่นี้พอพูดถึงผีแล้วก็ต้องพูดถึงประเด็นที่ว่าไอ้ผีหลอกผีหลอกหรือผีอั้มหรือผีมาแกล้งเราใช่ไหมเอาเราไม่ต้องพูดถึงอื่นไกลไม่ต้องเอาแค่มนุษย์คนเราเองมนุษย์แกล้งมนุษย์มนุษย์เบียดเบียนมนุษย์มีไหมคุณโยมตีว่ามีมีแน่นอนทุกวันนี้ยังเห็นอยู่เป็นประจำนะหมากัดคนก็มีคนตีหมาก็มีมันยังเบียดเบียนการข้าม ไอ้ข้ามประเภทของมนุษย์ข้ามประเภทของสัตว์ตก็ยังเบียดเบียนกันอยู่แต่เพราะนั้นเป็นธรรมดาเล ย, ยการเบี่ยนเบียนมีอยู่ตลอดนะไม่ว่าในพบไหนในเวลาไหนในสังสารวัตนี้มีแน่นอนคในเทวดาเขายังเบียดเบียนกันเลยคุณโยมติว๋วอย่างเทวดาชั้นดาวดึงอะก็ยังมีแบ่งฝ่ายเป็นเนทพกับอสูรมารบกันก็มีก็เบียดเบียนกันใช่ไหมมีแต่เทวดาชั้นสุภกินาหารเท่านั้นเองที่ที่ไม่ได้มีการเบียดเบียนกันค่ะ เพราะนั้นก็เ ป, นเป็นเป็นธรรมดาแน่นอ น, นทีนี้ถ้าเรากลัวว่าจะถูกคนอื่นเบียดเบียนไม่ใช่ฉเฉพาะ <c oughs> สิ่งที่เราไม่รู้ <c oughs> สิ่งที่เป็นอมนุษย์เอาแค่ <c oughs> มนุษย์ด้วยกันเองสัตว์เดรัจฉานด้วยเนี่ยทายังไงจะไม่ให้เขามาเบียดเบียนเราพระพุทธเจ้าก็พูดถึงการเจริญเมตตาภาวนานะการเจริญเมตตาภาวนานี่อมนุษย์ก็รักเรามนุษย์ก็รักเราคือรักเราเนี่ยหมายถึงหมายถึงว่าไม่ใช่เข้ามาหาเราน ะ, <c oughs> ะแต่รักเราเนี่ยก็คือว่าไม่ทําอันตรายกัน นะเพระนถ้าเราต้องการป้องกันเราก็จะเลยเมตตก็ได้นะท่านคะงั้นก็สรุปว่าผีจริงๆแล้วก็คือความกลัวอย่างหนึ่งแต่สิ่งมีชีวิตในลักษณะที่ไม่ใช่คนนะคะซึ่งอาจจะเป็นลักษณะที่ทำให้คนที่เห็นแล้วที่เขามีความสามารถในการเห็นสรุปได้ว่าเป็นอาหมนุษย คล้ายๆผีที่แตกต่างในเทวดายอย่างนี้มีจริงอใช่นะคะเ อ, อดิฉันเองเนี่ยอยากจะพูดนอกประเด็นอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับธรรมะหรือเปล่านะคะสําหรับสังคมไทยแล้วดิฉันก็ว่าน่าจะเป็นสังคมอื่นๆด้วยนะเพราะว่าก็มีหนังผีของฝรั่งมีหนังผีของจีนมีหนังผีของญี่ปุ่นมีหลายประเทศเท่าที่เรารู้จักเนี่ยนะคะอมคิดแบบไทยๆ เ, เด็กๆเราไม่เคยถูกสอน จะถูกซอรหรือถูกหลอกเนี่ยก็เลยทําให้คนไทยก็กลัวผีในลักษณะที่บางทีไม่รู้หรอกอย่างที่ท่านบอกว่าถ้าเราเห็นอ่าถ้าเรามีความรู้สึกว่ามันมีเชืโรคมีจุรินทรีย์เนี่ยนะคะแต่ถ้าไม่สามารถพิสูจน์ได้บางคนก็อาจจะไม่เชื่อว่ามีอยู่จริงอืมแต่เพราะพิสูจน์ถึงการมีอยู่ของเขาได้ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็เป็นเรื่องที่ฟังดูเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ทําให้ไม่สับสนแต่ว่า ในกรณีที่ทิฉันได้เอ่ยไปตอนต้นนะคะคนไทยเนี่ยชอบกลัวก็เลยเลยมาถึงกลัวเรื่องอื่นๆด้วยบางทีเขาเล่าว่าเขาเล่าว่าเขาเล่าว่ า, า ย, ย, ยังไม่มีการพิสูจน์ว่าน่ากลัวก็เลยกลายเป็นเหยื่อของการถูกหลอกไปหลายเรื่องก็มีไม่ใช่เฉพาะเรื่องผีๆก็ด้วยเรื่องอื่นบางคนเอาพระเครื่องมาหลอกบางคนเอาอุปกรณ์รอะไรต่างๆมาหลอก หลายหลายอย่างเลยโอ้โหที่นี้ก็เลยทำให้ชีวิเดือดร้อนทีนี้ถ้าพูดถึงธรรมะเนี่ยช่วยจะไม่ให้ถูกหลอกในลักษณะนี้ได้ด้วยหรือไม่คะออคือเมื่อเราเห็นตามที่เป็นจริงคุณชมติว๋วเราเราไม่ต้องกลัวใดๆเลยอย่างพระอรหันเนี่ยเห็นตามที่เป็นจริงแล้วนะว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ผีนะมันมันไม่ใช่สิ่งอะไรที่เราจะต้องกลัวนะมันก็แค่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ในตามระบบสังสารวัฏธรรมดาการเบียดเบียกนกันก็มีแน่นอนแล้วก็แผ่เมตตาไป เราก็ป้องกันได้แต่ถ้าเรารู้ตามที่เป็นจริงอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรเราก็ไม่มีความกังวลใดๆถึงแม้เราจะโดนหลอกจริงๆแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดานะนถึงยังอยู่ในสังสารวัตรเราก็แก้ไขไปตามระบบระเบียบที่มันควรจะเป็นเนาะความกลัวตรงนี้ไม่ว่าชาติไหนเหมือนกันหมดเลยไหนญี่ปุน่นคนไทยฝรั่งเพราะนั้นเวลาเราดูหนังผีไม่ว่าของประเทศไหนเราก็กลัวได้หมดไม่ต้องมีตัวแปรด้วย ไม่ต้องมีตัววิ่งข้างล่างฟังไปดูเรื่องคุณไปดูหนังผีของรัเสเซียคุณก็กลัวได้เหมือนกันใชนะ่เพราะว่าเพราะว่ามันฝังอยู่ในจิตของเราอ่ะีนะ่ยตรงนี้มันคืออวิชาเนี่ยอืมนะคือบางทีเราไปดูหนังสืบสวนสอบสวนหรือหนังรักอย่างเงี้ยบางทีมันดูไม่เข้าใจนะแต่ถ้าดูหนังผียังไงคุณกลัวแน่นอนแล้วคน <laughs> ชอบด้วยะ ค, ะค่ะดิฉันว่ามันตลกเป็นเรื่องตลกมากมีเพื่อนรายไหนรายนั้นเลย คนที่กลัวผีเนี่ยชอบดูหนังผีนั่นน่ะสิแปลกมากประหลาดจริงๆนี่เป็นเป็นเรื่องที่เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนคล้องกับพระวจนะเลยนะนี่บอกว่าคนเนี่ยมีความกลัวในเกิดจากความรักในความกลัวเกิดจากความเพราะมีความกลัวคุณรักสิ่งไหนในความกลัวมาด้วยเพราะกลัวไหมมันก็รักด้วยคือคือความกลัวเนี่ยถ้าเราลอกลอกเลเยอร์ของเขาออกเนี่ยจะเจอความรักอยู่ข้างล่างแล้วมันจึงมาด้วยกัน ถ้าพ้นแล้วจากความรักความกลัวความความโกรธก็ไม่มีแล้วความกลัวจะมีมาแต่ไหนเล่าอย่างงี้นะประชาว่างอย่างความโศกก็ไม่มีแล้วความกลัวจะมีมาแต่ไหนเล่าแต่ว่า ม, มีสักตัวอย่างได้ไหมคะก่อนที่จะจบรายการความารักอยู่ภายใต้ความกลัวเป็นตัวอย่างเป็นรูปธรรมสักอย่าง อ, าอย่างเช่ น, น <ะ S 1> ว่าเราเรารักตัวของเราเองเราไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์อย่างเงี้ย พอเจอสิ่งใดที่เราไม่รู้จักมันมีความอันตรายต่อชีวิตของเราเราจึงกลัวขึ้นมาทันทีความกลัวจึงซ่อนอยู่นะความรักจึงซ่อนอยู่ใต้ความกลัวความรักมาก่อนความกลัวจึงตามมาเพราะฉะนั้นก่อนจะจบรายการวันนี้เดชฉันอยากจะให้ท่านช่วยยกผู้ทวัจนะบทนี้ขึ้นมาเพื่อที่ให้ท่านทั้งหลายได้ไปใคร่ครวนด้วยสรุปที่ท่านทิ้งท้ายไว้ให้นวันนี้นะครับนพระาตรัสว่าความโศกเกิดแต่ความรักความกลัวก็เกิดแต่ความรัก เมื่อพ้นแล้วจากความรักความโศกก็ไม่มีแล้วความกลัวจะมีมาแต่ไหนเล่าดังนี้นะคะท่านผูฟ้ฟงที่เ ค, คารพคะและนี่ก็คือพระอาจารย์ไพล์บุญอภิปุโนโจากวัดป่าตอนหายโศกอุดรธา น, นีมาให้ความรู้เราเกี่ยวกับเรื่องของผีก็คงจะสว่างกระจางใจกันเลยทีเดียวนะคะนมสัสการขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะเจริญบานค่ะเราเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะ ต่อไปนี้จะเชิญหน้ากับความรู้สึกกลัวผีอย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นรายการนี้รายการสัร้นเสนีสมทนาการยังสดเสนีหน้าพงนด่มนินรายการนะคะอยู่ทางสถานีวิทยุ FM ครอบครัวข่าวร้อยหกค่ะมีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตีห้าถึงตีห้าครึ่งก่อนที่ท่านท่านหลายจะปฏิบัติภารกิจอื่นๆเพื่อใช้ชีวิตในแต่ละวัน ก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่พูททวจะนะน้อมนำไปใช้ทำให้ชีวิตทุกท่านสวัสดีนะคะเราลากันไปแต่เพียงเท่า น, นี้ล่ะคะ่ะพูททว่าสวัสดีคะ่ะ